ตอนที่ห8บดเข้าขึ้นราประเทาทุกไม่นานนักผู้คนต่างก็พากันหลังไหลไปยังกระโจมรักษาโรคขนาดเล็กที่อยู่ติดกับเพิงโจกท่านหมอหลี่และคนอื่นๆเดิมทีคิดว่าสองวันนี้จะได้พักผ่อนเสียหน่อยแต่เพียงพลิบตาเดียวหน้ากระโจมก็เนืองแน่นไปด้วยผู้ประสบภัยที่มีอาการปวดท้องไม่สบายตัวเมื่อตรวจชีพจรดูแล้วดูเหมือนว่าจะกินของผิดสำแดงเข้าไปทุกคนต่างมีอาการไม่ต่างกันนัก เมื่อรายงานต่อเยาว่าใบหน้าของเขาก็เคร่งขรึมลงทันทีรีบเข้าไปสอบถามพวกเขาทีละคนว่ากินอะไรเข้าไปบ้างยังไม่ทันได้คําตอบผู้ประสบภัยที่มีอาการไม่สบายก็หลั่งไหลเข้ามาอีกเป็นจํานวนมากเมื่ออาการลากยาวไปเสียงโอดครวนก็ดังรนง ม, มไปทั่วผู้ประสบภัยล้มพับลงกับพื้นเต็มไปหมดเ ย, ยว่าหันไปสั่งบ่าวรับใช้รีบไปแจ้งคุณหนูเร็วเรื่องรถราคาฟันเขาถนัดนักแต่การจัดการเรื่องเช่นนี้ต้องพึ่งพาดมองที่หมุนไวัของน้องสาว เมื่อเห็นฝั่งของเยว์วุ่นวายก็หลาหนในที่สุดเสียชิงจือก็ลุกขึ้นยืนพร้อมรอยยิ้มก่อนจะสั่งการเจนจูไปรีบให้คนที่เตรียมไว้ไปที่จวนจริงเจ้าอิ่นเพื่อติกลองร้องทุกบอกว่าจวนกัวกงใช้ข้าวขึ้นระมาบรรเทาทุกยักยอกสเสบียงอาหารและเข่นฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์เจนจูมีสีหน้าลำบากใจแต่ก็ไม่กล้าลังเลรีไปจัดการตามคำสั่งทันทีขณะนี้เยาวาอยู่ในร้านขนมที่นี่การค้าจเจริญรุ่งเรืองและคึกคักเป็นอย่างมาก อีกทั้งผู้ที่มาส่วนใหญ่ยังเป็นตระกูลผู้ดีและเศรษฐีผู้มั่งคั่งเท่าแก่ใช้ชื่อเรื่องการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำขนมราคาแพงออกมาวางขายโดยจะบริจาครายได้5ส่วนเพื่อเป็นเงินกองทุนบรรเทาทุกข์ช่วงนี้เรื่องที่เยาว์าบรรเทาทุกข์ด้วยการแจกโจกนั้นด่งดังไปทั่วเมืองหลวงไม่เพียงแต่นางและจวนกัวงกงจะได้รับคําชมเชยจากฝ่าบาทแม้แต่เจ้าของร้านค้าที่ร่วมมือด้วยต่างก็ได้รับป้ายพระราชทานที่ทรงลงพระปรามาภิเษยด้วยพระองค์เองใครเล้วจะไม่ตาร้อนเผา โดยเฉพาะตระกูลผู้ดีและเศรษฐีเหล่านี้มีหรือจะไม่แย่งกันมาซื้อรายที่ห้าส่วนนั้นจะมอบให้ผู้ประสบภัยจริงหรือไม่นั้นไม่สําคัญสําคัญที่ว่าพวกเขาก็อยากได้ป้ายพระราชทานที่ทรงลงพระประมาภิไธยด้วยพระองค์เองเช่นกันต่อให้ไม่มีป้ายนี้การได้ชื่อเสียงอันดีงามว่ามีความดีความชอบในการบรรเทาทุกก็นับว่าไม่เลวดังนั้นหลิงเซินจึงพาเยี่ยย่าไปดูร้านขนมหลายแห่ง ทุกแห่งล้วนมีลูกค้าหนึ่งแน่นการค้าดีขึ้นเรื่อยๆถึงขัานมีลูกค้าซื้อจากร้านก่อนหน้าแล้วยังตามมาซื้อที่ร้านถัดไปอีกเท่าแก่ น, นี้ของร้านขนมเองก็กล่าวขอบคุณเยเว่าและหลินเซินซ้ำแล้วซ้ำเล่าต้องขอบคุณซื่อจือ่อและแม่นางจริงๆที่มอาโอกาสดีๆเช่นนี้ให้บ่าวๆจะจดจำบุญคุณนี้ไว้เจ้าค่ะทั้งสองท่านเชิญนั่งตามสบายนะเจ้ากทานขนมให้อร่อยข้างนอกคนเยอะเบาขอตัวไปยุ่งก่อนเจ้าค่ะ เท่าแก่นี้เชิญพวกเขาไปนั่งที่ห้องด้านในพร้อมยกน้ำชาหอมและขนมมาให้ก่อนจะปลีกตัวออกไปทั้งสองคนลิ้มรสอย่างละเอียดถี่ถ้วนฝีมือประนีจริงๆรสสัมผัสนุ่มนวลชวนให้ติดใจไม่รู้ลืมเยวโออดไม่ได้ที่จะถอนหายใจคิดดูแล้วขนมเหล่านี้ราคาคงไม่เบาชาวบ้านธรรมดาทั่วไปคงไม่มีปัญญาซื้อกินแน่ๆมีเพียงซื้อจื่อที่ใจกว้างเช่นนี้ถึงได้คิดวิธีใช้ขนมราคาแพงเช่นนี้มาบรรเทาทุกข์ได้ เป็นการพูดจาประชดประชันอีกแล้วมีหรือที่ลิงเซิลจะฟังไม่ออกเขาหัวเราะอย่างขบขันยังไม่เลิกราอีกใช่หรือไม่เจ้าก็รู้อยู่เต็มอกว่าการใช้ขนมบรรเทาทุกเป็นความคิดของชิงจือใหญ่ต้องคอยค่อนแคค่าอยู่เรื่อยเ ย, ย่เว่ยเยายกถ้วยชาขึ้นจิบแล้วตอบตรงๆเพื่อให้ท่านรำคาญจะได้ไม่ต้องมาชอบค่าอีลิงเซิลดีตตาลงที่แท้เจ้าก็วางแผนเช่นนี้เองเช่นนั้นข้าขอเตือนว่าเจ้าอย่าได้ทำอะไรให้เสียเปล่าเลย เขากดเสียงต่ำถ้าเป็นคนรักแรงเกลียดแรงและมั่นคงในรักเมื่อชอบแล้วก็คือชอบจะไม่เปลี่ยนแปลงอีเยว้า yeah, wow. ไม่รู้ปพระเหตุใดในใจพลันเกิดระลอกคลื่นที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นใช่แล้วเขาเป็นคนเช่นนั้นจริงๆชาติก่อนบอกว่าเกลียดนางก็เกลียดอย่างถึงที่สุดแม้แต่นางจะตั้งคันลูกของเขาเขาก็ไม่เคยหวั่นไหวแม้แต่น้อยเยวว่า yeah, หตาลงซ่อนระลอกคลื่นในแววตาเอาไว ประตูถูกผลักเปิดออกอย่างกระทันหันผู้ที่มาคือบ่าวรับใช้ข้างกายเยว่าคุณหนูแย่แล้วเกิดเรื่องกับผู้ประสบภัยแล้วขอรับท่านใดนั้นเยวาวและหลิงเซินต่างก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกันพวกเขามาถึงเกือบจะพร้อมกับคนจัดจวนจริงเจ้าอินเมื่อลงจากรถมาใต้เท้าเหอแห่งจริงเจ้าอินก็ลงจากเกี้ยวพอดีเมื่อเหลือเห็นหลิงเซินเขาก็รีบปั้นหน้ายิ้มเดินเข้ามาหาทันทีโอซื่อจือ่อท่านก็อยู่ที่นี่ด้วยหรือดีจริงๆ เรื่องนี้มีซื่อจือมาเป็นผู้ตัดสินให้ผู้น้อยถึงจะเบาใจขอรับเมื่อเห็นตาแก่ที่ทำหน้าประจบสอพรอนี้ทั้งเยว่าและหลินเซินต่างก็ประหลาดใจหลินเซินถามใต้เท้าเหอแห่งจริงเจ้าอินใหญ่ท่านถึงมาที่นี่ใต้เท้าเหอหุบรอยยิ้มลงพร้อมทำหน้าลำบากใจซื่อจือท่านยังไม่ทราบเรื่องหรือขอรับไอหยาเรื่องใหญ่แล้วคดีใหญ่เชียวนนนี่ มีคนแจ้งว่าจวนกัวกงใช้ข้าวขึ้นราในการบรรเทาทุกยักยอกสเสบียงอาหารเห็นชีวิตคนเป็นผักปลาเมื่อได้ยินเช่นนั้นทั้งสองคนก็หน้าถอดสีเยวว่าไม่พูดพร่ำทําเพลงรีบมุ่งหน้าไปยังเพิงโจกทันทีแต่ใครจะคาดคิดว่ายังไม่ทันได้เข้าใกล้กลับถูกทหารของจิงเจ้าอินขวางทางไว้ใต้เท้าเหอพุงพลุตกลงขึ้นว่าไ อ, อยาไ อ, อ๋านางหนูซุ่มซ่ามที่ไหนกันขี้จะทําอะไรนางหนูซุ่มซ่ามเยวว่าแค้นหัวเราะด้วยความกโกรธ จวนจริงเจ้าอิงกลับมีขุนนางและเธอะที่เหลวไหลเช่นนี้เชียวหรือเยาว์มองผ่านเหล่าทหารออกไปเห็นเยว่าถูกทหารล้อมไว้ในเพิงโจกเช่นกันทหารคนสนิทข้างกายเขากำลังปกป้องเขาไว้ตรงกลางเผชิญหน้ากับทหารของจวนจริงเจ้าอิงอย่างไม่ลดละเมื่อสายตาประสานกันนางก็ตะโกนเรียกทันพี่เยาว์เห็นนางก็ดีใจยิ่งนักยาวยาวลินเซอร์เหลือบมองใต้เท้าเหอที่กำลังยืนอ้าปากค้างด้วยสายตายเย็นชา นี่คือบุตรีสายตรงของจวนกัวกงท่านหญิงหนิงเลอ่อที่ฝ่า บ, บาททรงปลดกล้าแต่งตั้งใต้เท้าเหอสูดหายใจเข้าลึกด้วยความตกใจรีบเช็ดเหงื่อแล้วกล้าเข้าไปขอขามาเยววัทันทีไอหยาประมมมมีตาหามีแววไม่หวังว่าท่านหญิงจะประทานอภัยเยววครานจะฟังคำพูดทางการของเขาจึงเอ่ยขัดขึ้นว่าถอยไปให้ข้าเข้าไปใต้เท้าเหอเปลี่ยนสีหน้าทันควันแบบนั้นไม่ได้ แม่ทับน้อยแห่งจวนกัวกงต้องสงสัยว่ายักยอกเสเบียงบรนเทาทูกจะว่าไปแล้วท่านหญิงเองก็คงหลีกเลี่ยงความผิดนี้ไม่พ้นพวกเจ้าจับตัวไปให้หมดสีหน้าของเยว่เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงหลิงเซินรีบการแขนปกป้องนางไว้ด้านหลังเหอตาจื้อเจ้าเสียสติไปแล้วหรือแม่ทับน้อยแห่งจวนกัวกงและท่านหญิงที่ฝาบาททรงแต่งตั้งเป็นคนที่จริงเจ้าอิงตัวเล็กๆอย่างเจ้าจะจับกุมได้งั้นหรือใต้เท้าเหยอยังคงปั้นหน้ายิ้มระรื่น ซื่อจื่อพูดอะไรเช่นนั้นขอรับการยักยกสเสบียงบรรทาทุกเป็นเรื่องใหญ่กระหม่อมต้องทําตามหน้าที่มีอาจเห็นแก่นหน้าผู้ใดได้เมืองหลวงคือพื้นที่ใต้เบื้องพายุคนบาดแม้แต่ซื่อจือเองถึงเวลานั้นเปร็นว่าจะทุนรายงานต่อฝ่าบาทได้ยากนะขอรับหลินเซินถึงกับจนปัญญาจะต่อกรกับเขาชั่วขณะเจ้า เ, เวยว่ยแยวผลักเขาออกไปที่บอกว่าข้ากับท่านพี่ร่วมกันยักยอกสเสบียงบรรทาทุกยอมต้องมีหลักฐานเจ้าจะมาจับคนสุ่มสี่สุมห้าได้อย่างไร หลักฐานย่อมต้องมีอยู่แล้วใต้เท้าเหิกมือขึ้นตะโกนพวกเจ้านำหลักฐานออกมาทหารรีบแบกกระสอบข้าวหลายไปเข้ามาทันทีเรียนใต้เท้าทั้งหมดนี้คือข้าวที่ค้นเจอจากในเพิงโจกตรวจสอบแล้วพบว่ามีการผสมข้าวขึ้นราจํานวนมากจริงๆขอรับดาบของทหารแทงลงไปในกระสอบข้าวอย่างแรงข้าวสีขาวสลับเทาจานวนมากไหลพูออกมา กลิ่นอับชื้นโชยมาเตะจมูกทั้งหลิงเซิรนและเยว์ว์ต่างอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วและยกมือขึ้นปิดจมูกเห็นได้ชัดเจนในพริตตาเดียวว่ามีข้าวขึ้นระเปปะปนอยู่เป็นจํานวนมากจริงๆเยว์ว์์โผล่ออกมาเป็นไปไม่ได้ตลอดช่วงเวลาที่บรรเทาทุกขากับท่านที่อยู่ที่เพิงโจกทุกวันต้มโจกและแจกจ่ายโจกด้วยตัวเองไม่เคยเห็นข้าวพวกนี้เลยพวกเราติดต่อร่วมมือกับพ่อค้าข้าหลายรายในเมืองหลวงไม่มีทางใช้ข้าวขึ้นระเด็ดขาด